بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خ ط ا ب الإسلامية بالدمام تواصل مع أخ الكريم المصحف الشريف ل ل أ خ سعد ا ل غ ا م ي الشريط الحادي عشر ويحتوي على صور الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت ننبت ا ش و ا ر บทอชูอาระเป็นบทมักกียะมี227องค์การบทนี้เริ่มด้วยเรื่องของอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาเพื่อเป็นทางนำแก่มนุษย์ทั้งมวลและเป็นโอสถขนาดวิเศษที่จะบำบัดโรคต่างๆของมนุษยชาตียและกล่าวถึงท่าทีของพวกบูชาจเวิตมีหลักฐานอย่างชัดเจนโดยที่พวกเขาได้ขอสิ่งปฏิหารอื่นจากอัลกุรอาน เนื่องจากการดื้อรั้นและการโอหังบทนี้ได้กล่าวถึงบรรดาศาสนาทูตที่อลอรงส่งเขาเหล่านั้นมาเพื่อชี้แนะทางที่ถูกต้องแก่มวลมนุษย์เริ่มด้วยเรื่องของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกับฟิรอาวกษัตริย์ผู้โอหังและการโ ต, รต้ตอบระหว่างบุคคลทั้งสองในเรื่องของพระเจ้าตลอดจนการที่อลัละทรงสนับสนุน น, นบีมูซาด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งซึ่งได้ลบล้างความเพี้นให้สูญสิ้นไป โดยแนะนํามากล่าวไว้หลายตอนในเรื่องนี้และได้จบลงด้วยการกล่าวถึงบทเรียนและข้อเตือนสติถึงความแตกต่างอย่างมากมายระหว่างการศรัทธาและการกดขี่ข่มเองหลังจากนั้นได้กล่าวถึงเรื่องของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลัดและท่าทีของเขาที่มีต่อชนชาติและบิดาของเขาในการเคารพสการะรูปปั้นและจเวด ท, ท่านได้แสดงออกซึ่งหลักฐานนั้นชัดเจน และข้อชี้แจ้งอันชัดแจ้งถึงความไม่ถูกต้องในสิ่งที่พวกเขาเคารพสักการะสิ่งซึ่งไม่ได้ยินและไม่ยันประโยชน์ให้พร้อมกับได้พิสูจน์ให้พวกเขาประจักษ์ถึงหลักฐานอันหนักแน่นต่อความเป็นเอกะาของพระเจ้าแห่งสากลโลกซึ่งการให้คุณให้โทษนั้นอยู่ในเนื้อพระหัตถ์ของพระองค์รวมทั้งการให้เป็นและการให้ตายด้วย หลังจากที่ได้กล่าวถึงเรื่องต่างๆของบรรดานะับีเช่นนัวพูดโซเลลูดและสวายและการกระทำของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่มีต่อบรรด า, าศาสนทูตแล้วบทนี้ได้หวนกลับมากล่าวถึงเรื่องของคำพีอันมีเกียรติเป็นการให้ความสําคัญของคำพีและกล่าวถึงที่มาของคำพีว่าและแท้จริงมันเป็นการประทานลงมาจากพระเจ้าแห่สงสากรโลก แล้วบทนี้ได้จบลงด้วยการโต้อ ต, อตอบการกล่าวเท็จของพวกบูชาเจวิตในการกล่าวอ้างที่ว่าอัลกุรอานนั้นใช่ตอนมานรร้ายเป็นผู้นำลงมาเพื่อตอนเริ่มกับตอนจบสอดคล้องกันอย่างสวยงามที่สุดด้วยพระนามของ a าผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอตอสี เร ล, ล่อีนี้คือองค์กรทั้งหลายของคำเภียงชัดแจ้งบางทีเจ้ามูฮัมหมัดอาจเป็นผู้ทำลายชีวิตของเจ้า พ, พินช ي ي <ś lad> าอางงฺเลาซฺ า, า, า, าลัายฺม์มิเนลซาอีนาฺยฺตาฟาฺลอฺนฺอฺคมาหฺฺฮฺาบฺฺฺอฺฺฺอฺฺฺอฺฺฺอฺาฺอฺฺฺอฺฺฺอฺฺอีนฺอฺเอฺฺฺอฺฺฺอฺฺฺอฺฺฺอฺฺฺอญฺฺอฺฺฺอฺฺฺอฺาฺอฺฺฺอฺอย่างพวกเขาแล้ว อของพวกเขาก็ยอมก้มลงต่อมันและไม่มีข้อตักเตือนใหม่อันใดาจากพระผู้ทรงกรุณาประทานลงมาเว้นแต่พวกเขาจะพินหลังให้กับมัน และความจริงพวกเขาได้ปฏิเสธดังนั้นข่าวคราวที่พวกเขาได้เคยเยาะเย้ยมันนั้นก็จะมาอย่างพวกเขาพวกเขาไม่ได้มองไปยังแผ่นดินดอกหรือว่ากี่มากน้อยแล้วที่เราได้หมันงอกเงยออกมาจากทุกชนิดที่ดีมีประโยชน์ แท้ م م จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่ศรัทธาว่าอนบบะกละถ้าแท้จริงพระผู้อิบาลของเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมอ กระจงดำลึกถึงเมื่อพระอภิบาลของเจ้าทรงเรียกมูสาว่าจงไปยังกลุ่มชนผู้อาถรรพ์คือกลุ่มชนของเฟรูนพวกเขาไม่ยำเกรงกรอกหรืออัลลอฮฺบิอิลลัลอฮฺอัลอฮฺอัลลอฮ เขามูซากล่าวว่าโอ้พระผู้ธิบานของฉันแท้จริงฉันกลัวว่าพวกเขาจะปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังฉันแล้วว่าอกของฉันจะอึดอัดและลิ้นของฉันจะไม่คล่องดังนั้นพระองค์ทรงโปรดทรงหารูนมาช่วยฉันด้วยเถิด และพวกเขามีข้อกล่าวหาต่อฉันดังนั้นฉันกลัวว่าพวกเขาจะฆ่าฉันอละกัลลตพร้งมตันว่าไม่ดอกเจ้าทั้งสองจงไปเถิดพร้อมด้วยสัญญาณทั้งหลายของเราแท้จริงเราอยู่กับพวกเจ้า เป็นผู้ต ا إ แต่นั้นเจ้าทั้งสองจงไปหาฟิรอูลแล้วจงกล่าวว่าเราเป็นศาสนาทูตของพระเจ้าแห่งสาลลกลาลูกอันแล้วขอให้ สรงองวานของอิสราเอลไปพร้อมกับเราเถิดเขาเิโรมกล่าวว่าเราไม่ได้เลี้ยงดูเจ้าขณะเป็นเด็กอยู่กับเราหรือและเจ้าได้อยู่กับเราหลายปีในช่วงชีวิตของเจ้าวก<ะ>ััน และเจ้าได้ทำการของเจ้าที่เจ้าได้กระทำไปแล้วและเจ้าเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้เนรคุณเขามมซากล่าวว่าฉันได้กระทำมันโดยที่ฉันไม่รู้ ด, บบดังนั้นฉันได้หนีไปจากพวกท่านเมื่อฉันกลัวพวกท่านแล้วพระผู้อภิบาลของฉันได้ทรงประทานอำนาจแก่ฉันด้วยการเป็นศาสดา แล้วสรงแต่งตั้งฉันให้เป็นาศาสนาทูตค น, นและนี่คือบุญคุณที่ท่านลำเลิกมัน ต่อฉันโดยท่านทำให้วงวานของอิสริยเป็นทาสฟิโรนบบได้กล่าวว่าและใครคือพระผู้อภิบาลแห่งสกลลงากลละาาลาานเมมขามูซากล่าวว่าพระผู้อภิบาลแห่งบดดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองหากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธาเชื่อมันขเขาก็ได้กล่าวแก่ผู้ที่อยู่รอบๆเขาว่าพวกเจ้าได้ยินไหมเขามูซากล่าวว่าพระผู้อินบานของพวกท่านและของบรรพบุรุษสมัยก่อนๆ น, นั้นด้วย ن ن ข้าพิรุณกล่าวว่าถ้าจริงาศาสนาทูตของพวกเจ้าที่ได้ถูกส่งมาอย่างพวกเจ้านั้นเป็นคนบ้าอย่างแน่นอนข้าว่าข้าพิรุกวว่าแริงอวาที่มาอเจ้านคานน เขามูซากล่าวว่าพระผู้อภิบาลแห่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองหากพวกเจ้าใช้สติปัญญาพิจรารณาเขาฟิรูนกล่ า, ลาวว่าวหากเจ้ายึดถือพระเจ้าอื่นจากฉันฉันจะให้เจ้าอยู่ในหมู่ผู้ต้องขัเขาฟิรูนกล่าวว่าหากเจ้ายึดถือพระเจ้าอื่นจากฉันฉันจะให้เจ้าอยู่ในหมู่ผู้ต้องขังอย่างแน่นอมมน เขามูซากล่าวว่าแม้ว่าฉันจะนำสิ่งหลักฐานที่ชัดแจ้งมาอย่างท่านกระนั้นหรือเขาเฟโอูนกล่าวว่าก็จงนามันมาสิหากเจ้าเป็นคนพูดจริงเขาฟิูนกล่าวว่าก็จงนำมันมาสิหากเจ้าเป็นคนพูดจริงแต่เเขามูซาได้โยนไม้เท้าของเขาแล้วมันก็เป็นงูจริงๆ และได้ดึงมือของเขาออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วมันก็เป็นสีขาวอันเจิดจ้ากแก่บรรดาผู้มองดูเขาไปรูนกล่าวแก่คุณนางผู้ใหญ่รอบๆ ว, ว่า ถ้าเจ็งคนนี้เป็นนักเล่นคนที่ช่ ам ฆมิ ا أ เขาต้องการที่จะให้พวกเจ้าออกจากดินแดนของพวกเจ้าไม่วยวิทยาคนของเขาดังนั้นพวกเจ้าจะให้ฉันจัด ก, การอย่างไรเพอแปลงเตราะพวกเขากล่าวว่า ลงหนงเหนียวเขาและพี่ชายของเขาไว้ก่อนแต่จงส่งคนไปตามหัวเมืองให้มาชุมนุมกันยนเพื่อที่นักเล่นกลผู้ชำนาญทุกคนจะได้มาหาท่นน า, ทานและบรรดานักเล่นกลได้มาชุมนุมกันตามวันเวลาที่กำหนดไ ว, ว้น และได้มีประกาศแก่ผู้คนว่าพวกท่านจะไปชุมนุมด้วยไหมเพื่อพวกเขาจะได้ตามบรรดานักเล่นคนหากพวกเขาเป็นผู้ชนะเมื่อพวกนักเล่นคนมาถึง เขากล่าวแก่ผู้อูนว่าพวกเราจะมีรางวัลแน่หรือหากพวกเราเป็นผู้ชนะอออนเขากล่าวว่าถูกแล้วและพวกเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ใกล้ชิดอย่างแน่นออนมูซาได้ ก, กล่าวแก่พวกเขาว่า งโยนสิ่งที่พวกเจ้าจะต้องโยนได้เลยและพวกเขาก็ได้โยนบรรดาเชือกและก็ไม้เท้าของพวกเขาโดยที่พวกเขากล่าวว่าด้วยเกียรติยศของฟิรูแท้จริงเราเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอน ฟอลควาโมซา عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ขลามูซาก็ได้โยนไม้เท้าของเขาทัานใดนั้นมันได้กลืนสิ่งที่พวกเขาได้ทำวิทยากรเอาไว้ฟาอล قي السحوم يتساجدين พวกนักเล่นคนจึงก้มลงกราบสุู่ัวโอดูอามนบิรับบ العالمين رب موسى وهرو พวกเขากล่าวว่าเราศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกคือพระผู้อภิบาลของมูาและหารุลลลลลลอออออมันูบส เขาพิรูอุนกล่าวว่าพวกเจ้าสตาต่อเขาก่อนที่ข้าจะอนุญาตแก่พวกเจ้ากระนั้นดือแน่นอนเขาต้องเป็นหัวหน้าของพวกเจ้าซึ่งได้สอนการเล่นกลแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจะรู้แน่นอนข้าจะตัดมือของพวกเจ้าและเท้าของพวกเจ้าสลับข้างกัน และแน่นอนข้าจะตรึงพวกเจ้าไว้ทั้งหมดพวกเขากล่าวว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าจริงพวกเรานั้นต้องกลับไปยังพระผู้อภิบาลของเรานนตมออยฟรนารบนาานา แจริงเราปรารถนาที่จะให้พระผู้อภิบาลของเราทรงยกโทษให้แก่เราเพราะเราเป็นกลุ่มชนแรกที่ศรัทธาและเราได้องค์การให้มูซาออกเดินทางในเวลากลางคืนพร้อมกับพวงบ่าวของข้า แท้จริงเจ้ากำลังถูกติดตามและวฟิลิปินส์ได้ส่งคนไปตามหัวเมืองต่างๆให้มาร่วมจุนลุมแล้วว่าแท้จริงเขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนส่วนน้อยและแท้จริงพวกเขาได้ทำให้เราเกิดภูษะ และแท้จริงพวกเราทั้งหมดอยู่ในสภาพเตรียมฟอร์มจังนั้นเราอัลลอฮได้ให้พวกเขาออกจากเรือสวนและลำถาร น, น้ำและทรัพย์สินอันมากมาย และที่พำนักอันโอ้อาคเช่นนั้นแหละเราได้วงวานอิสราีนลได้รับมรดกครอบครองมันแล้วฟีรอูนได้ติดตามไปทันวงวานอิสราเอล เมื Hola, ่ข้ะเมื่อแต่ละฝ่ายได้มองเห็นกันควบ้องของมูซาได้กล่าวว่าแท้จริงเราถูกตามทันแล้วเขามูซาได้กล่าวว่าไม่รอ แท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงอยู่กับฉันโรงทรงชี้ทางนำให้แก่ฉันดังนั้นเราได้องค์การแก่มูสาว่าจงฟาดทะเล ด, ด้วยไม้เท้าของเจ้าแล้วมันก็ได้แยกออก แต่ละข้างมีสภาพเหมือนภูเขาใหญ่และเราได้พวกอื่นเข้ามาใกล้ณที่นั้นและเราได้ให้มูซาและผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาทั้งหมดรอดพ้นไปุมมาัรนนและเราได้ให้พวกอื่นจมน้ำตาย หาิกในการนี้เป็นสัญญาณอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ศรัทธาและแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ส่งอำนาจผู้ส่งเมตตาเสมอ และจงอ่านเรื่องราวของอิบราฮีมให้พวกเขาฟักขณะที่เขากล่าวแก่บิดาของเขาและกลุ่มชนของเขาว่าพวกเจ้าขครพพักดีอะไรกันพวกเขากล่าวว่า เราเคารพพักดีรูปบ้นแล้วเราจะยังคงยึดมั่นตลอดไปเขาอิบราฮีมกล่าวว่าเมื่อพวกเจ้าวิ่งวอนขอพวกมันได้ยินพวกเจ้าหรือไม่รหรือมันให้คุณให้โทษแก่พวกเจ้าไหมหรือมันให้คุณให้โทษแก่พวกเจ้าไหม พวกเขากล่าวว่าแต่เราได้พบบรรพบุพรบุษของเราปฏิบัติกันมาเช่นนั้นุ ม, ม, นม เ, นเขากล่าวว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือสิ่งที่พวกเจ้าเคารพทักดีอยู่อทั้ททงตัวของพวกเจ้าเองและบรรพบุรุษของพวกเจ้าแต่ก่อนการนั้น ฟะอินนหุมอดูรลีอิลลารับบัลอารมีนถ้าจริงพวกเขาคือสตรูของฉันนอกจากพระเจ้าแห่งสาปกลโลกอัลลดีขลักนีฟะหัวยะดีนซึ่งพร่งทรงสร้างฉันแล้วพร่งสร้างชี้ทางนำให้แก่ฉันวัลลดีหัวยุตออิมมีวะยสกีน และพระองค์ทรงประทานอาหารให้แก่ฉันและทรงให้น้ำดื่มแก่ฉันและเมื่อฉันป่วยพระองค์ก็ทรงให้ฉันหายป่วยและพระองค์ทรงให้ฉันตายและทรงให้ฉันเละพระองห้ฉันตายและทรงให้ฉันเป็น และผู้ที่ฉันหวังว่าจะทรงอภัยความผิดให้แก่ฉันในวันแห่งการตอบแท น, มม น, น ال โอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงประทานความรู้และทรงให้ฉันอยู่ร่วมกับคนดีทั้งหลาย และส่งให้ฉันได้รับการอนุรักษ์อย่างดีในหมู่ชนรุ่นต่อๆไปและส่งทำให้ฉันอยู่ในหมู่ผู้รับมรดกแห่งสวนสวรรค์อันร่มรื่นและทรงประธานอาภัยให้แก่บิดาของฉันด้วยแท้จริงเขาอยู่ในหมู่ผู้หลงผิด และทรงใหญ่ฉันได้รับความอปะยตในวันที่พวกเขาถูกให้ฟื้นขื่นจิตวันที่ทรัพย์สมบัติและลูกหลานจะไม่เอเมื่อประโยชน์อันใดได้เลยเว้นแต่ผู้ที่มาหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ และสวนสวรรค์จะถูกนำมาให้ใกล้แก่บรรดาผู้ยำเกรงและนรกจะถูกเผยให้เห็นแก่ผู้ทำชั่วมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าไหนเล่า ตื่นจากเอาละ่ะพวกมันจะช่วยเหลือพวกเจ้าหรือจะช่วยตัวมันเองได้ไหมและพวกมันจะถูกทิ่หมหัวลงในนรกทั้งพวกมันและพวกทำชั่วและไพร่พลของอิบลิสทั้งหมด พวกเขากล่าวขณะที่พวกเขาโต้เถียงกันอยู่ในนั้นขอสาบาน่อง Allah. แท้จริงพวกเราอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งขณะที่เราทำให้พวกเจ้า เท่าเทียมกับพระผู้อภิบาลแห่งสามภลโลกและไม่มีผู้ใดทำให้พวกเขาหลงผิดนอกจากพวกทำผิดเท่านั้นดังนั้นจึงไม่มีผู้ช่วยเหลือแก่เราและไม่มีมิตรแท้ด้วยและมด้วย ฉะนั้นหากเราได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งเราก็จะอยู่ในหมู่ผู้ศรัทธาแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ศรัทธาและแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้น พระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอกลุ่มชนของนูห์ได้ปฏิเสธบรรดารอซูลขณะที่พี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาขึงนูห์ ได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้างหรือแท้จริงฉันคือศาสนาูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกเจ้าแต่นั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังกันเถิด และฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกเจ้าเลยค่าตอบแทนของฉันไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลลโลกเท่านั้นลลดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอ์เถิดและจงเชื่อฟังฉันพวกเขากล่าวว่าจะให้พวกเราศรัทธาต่อท่านกระนั้นหรือพวกตาำต้อยเท่านั้นที่เชื่อฟังท่าน เขาเล่าว่ากล่าวว่าฉันไม่มีความรู้อะไรเลยในสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติกันอิน حسابهم อิล على ربي لو تشرون การบบา ต, ร ต, าตอบแทนของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่ผู้ใดนอกจากอยู่ที่พระผู้อภิบาลของฉันหากพวกเจ้า และฉันจะไม่เป็นผู้ขับไล่บรรดาผู้ศรัทธาฉันไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้นพวกเขากล่าวว่าโอนัว หากท่านไม่หยุดยัง้งแน่นอนท่านจะอยู่ในหมู่ผู้ถูกคว้างเบ็ยก้อนหินเขาเวนวื้อกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงกลุ่มชนของฉันได้ปฏิเสธฉันดังนั้นพระประสงค์ตัดสินระหว่างฉันกับพวกเขาโดยยุติธรรมเถิด และทรงโปรดช่วยฉันและบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับฉันให้รอดพ้นด้วยเถิดแล้วเราอัลลอฮ์ได้ช่วยเขาและผู้อยู่ร่วมกับเขาให้อยู่ในเรือที่เต็มเปียกแล้วเราอัลลอฮ์ได้พวกที่เหลืออยู่จมน้ำตายอินที่ ذ ิ ك แล้ว แพ้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้สภา ز ز แท้จริงถ้าผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมอ กลุ่มชนของอาดได้ปฏิเสธบรรดาศา ส, าสนาทูตขณะที่พี่น้องของเขาคนหนึ่งคือฮูดได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้างอินนีลคุมรัสูลอมีนถ้าจริงฉันคือศาสนาทูตผู้ซื่อสัสตย์สำหรับพวกเจ้า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 أتبنون بكل ريع آية تعبدون. พวกเจ้าสร้างอนุสาวรีย์ไว้บนที่สูงทุกแห่งเพื่อโอ้อวดกระนั้นหรือและพวกเจ้าสร้างเครือขาดจะเหมือนกับว่าพวกเจ้าจะอยู่อย่างตลอดกาลกระนั้นหรือและเมื่อพวกเจ้าทำร้ายผู้ใดพวกเจ้าก็จะกระทำอย่างทารุณโหดร้าย ดัง น, นั้นพวกเจ้าจงยำเกรงเอาล้อและเชื่อฟังฉันเถลลดิดลและพวกเจ้าจงยำเกรงผู้ทรงประทานสิ่งที่พวกเจ้ารู้ดีอยู่แล้วให้แก่พวกเจ้าและพระเจ้าจงยำเกรงผู้ทรงประทานป่าสุสัตว์และลูกหลานให้แก่พวกเจ้าด้วยและสวนอันหลากหลายและลำทารหลายแห่ง นนถ้าจริงฉันกลัวว่าพวกเจ้าจะรับการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ่พวกเขากล่าวว่ามีผลเท่ากันแก่เราท่านจะตักเตือนหรือไม่ตักเตือนเราก็ตัก นี่มช่อะไรอนอกจากเป็นเรื่องโกหกในสมัยก่อนๆแต่พวกเราจะไม่อยู่ในหมู่ผู้ถูกลงโทษพวกเขาได้ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังเขาดังนั้นเราจึงทำลายล้างพวกเขา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 ขณะที่พี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือซอแน่ได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้างหรืออินนิเลกมสูลอัลเลแท้จริงฉันถือศาสนาพูดผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังฉันเถิด และฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกเจ้าค่าตอบแทนของฉันไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลละโลกเท่านั้น พวกเจ้าจะถูกปล่อยให้อยู่อย่างปลอดภัยณที่นิ้วหรือในสวนอหลากหลายและลำธารหลแห่งและไร่นาและต้นอินทผลัมซึ่งกิ่งก้านทองมันสุกงอมและพวกเจ้าสกาัดภูเขาเป็นที่อยู่อาศัยด้วยความสำนาก وا وأ แต่นั้นพวกเจ้าจงยำเกรง a l l a และเชื่อฟังันเถิดและจงอย่าเชื่อความคำสั่งใช้ของพวกปากวก่าฝุพวกที่ทำความเสื่อมเสียในแผ่นดินและไม่เป็นพวกพัฒนาโอูอินนั่มันนะมินจากผหรีม พวกเขากล่าวว่าแท้จริงท่านเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ถูกอาคมถ้าไม่ใช่ใครอืน่นนอกจากเป็นสามัญชนเช่นเราดังนั้นจงนำมาสัตว์สัญญาณหนึ่ หากท่านเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้พูดจริงาามมเขากล่าวว่านี่คืออูดตัวเมียสำหรับมันดื่มน้ำวันหนึ่งและสำหรับพวกท่านก็ดื่มน้ำวันหนึ่งเป็นที่รู้กันและพวกเจ้าจงยากก่อความทุกข์ยากแก่มัน มีฉะนั้นการลงโทษในวันนั้นยิ่งใหญ่จะประสบแก่พวกเจ้าแล้ะพวกเขาได้ฆ่ามันพวกเขาจึงอยู่ในสภาพผู้เศร้าโศกเสียใจนั้นการลงโทษจึงได้ประสบแก่พวกเขาแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอน แต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้สัมผัสและถ้าจริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพรงเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอกลุ่มชนของลูตได้ปฏิเสธบรรดาศาสนาทูต ขณะที่พี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือลูตได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยำเกรงบ้างหรือแท้ <IL> จริงชันคือศาสนาทูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอ์และเชื่อฟังฉันเถอะ َمَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرِنْ أَجْرِيَ إِنْ على และฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกเจ้าค้าตอบแทนของฉันไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากพระผู้อภิบาลแห่งสา ก, กลลโลกเท่านั้นแล้ว นาพวกเจ้าเข้าหาผู้ชายในหมู่ผู้คนทั้งหลายกระนั้นดึวและพวกเจ้าจะทิ้งสิ่งที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าทรงบังเกิดมาสําหรับพวกเจ้าคือปัญญาของพวกเจ้าแน่นอนพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนนนนูััมมยรีพวกเขากล่าวว่าโอ้ลุดเอ๋ย หากท่านไม่หยุดยังแน่นอนท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่จะถูกขับไล่ให้ออกไปเ ข, ขาลุดกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นผู้เกลียดการกระทำของพวกเจ้าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงช่วยฉันและบริวารของฉันให้พ้นจากที่พวกเขากระทำกัน ดังนั้นเราอัลลอฮได้ช่วยเขาและบริวารของเขาทั้งหมดให้รอดพ้นนอกจากหญิงแก่คนหนึ่งซึ่งนางอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลาย แล we ้วเราได้ทำลายพวกคนอื่นและเราได้หาฝนตกลงมาบนพวกเขาดังนั้นฝนของบรรดาผู้ตัดเตือนมันช่างชั่วร้ายเสียมิกระไร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 ขณะที่ชูอายได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าไม่ยอมเกรงบ้างหรือรอินนีเลคมรสนอเมน์ฟตักอลลอฮ์อัลซินแท้จริงฉันคือาศาสนาทูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกเจ้าแต่นั้นพวกเจ้าจงยอมเกรงอัลลอฮ์และเชื่อฟังฉันเถิด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 ص ص และจงช่างตรวด้วยตาช่างที่เที่ยงตรงและอย่าให้บกพร่องแก่ผู้คนซึ่งสิ่งต่างๆของพวกเขาและอย่าก่อความเสียหายในแผ่นดินโดยเป็นผู้บ่นทำลายวละเจ้าผี خلق ุมและภเขาที และจงยำเกรงผู้ที่บังเกิดพวกเจ้าและประชาชาติสมัยก่อนๆพวกเขากล่าวว่าแท้จริงท่านเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ถูกอาคมและท่านไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นสามัญชนเช่นเรา และเราคิดว่าท่านเป็นผู้กล่าวเท็จคนนี้ดังนั้นจงให้ส่วนต่างๆจากท้องฟ้าหล่นลงมาบนพวกเราหากท่านเป็นผู้พูดจริงเขาชุ่มอะไกล่าวว่า พระผู้อภิบาลของฉันทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำพวกเขาได้ปฏิเสธเขาดังนั้นการลงโทษแห่งวันเมฆครอบคลุมได้ประสบแก่แพวกเขาแท้จริงมันเป็นการลงโทษแห่งวันที่ยิ่งใหญ่ และแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้สรัทธา ز ز และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้น พพรรระอองงเเเเป็นนผผููผ้้ททดชาาาาุภมมตตสและแท้จริงมันคือคำเพียร์อัลกุรอานเป็นการประทานลงมาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลละโลกอารุห์ผู้ซื่อสัตว์ได้นำมันลงมาย้ำหัวใจของพวกเจ้า เพื่อเจ้าจะได้เป็นผู้ตักเตือ น, น, อ น, นโดยเป็นภาษาอรับอันชัดแจ้งนนววและแถ้จริงมันมีอยู่ในคัมภีร์สมัยก่อนอๆและมันไม่ได้เป็นเครื่องหมายแก่พวกเขาดอกหรือว่า บรรดาผู้มีความรู้ของวงวานอิสราเอลก็รู้ดีในเรื่องนี้และหากว่าเราประทานมันลงมาแก่บางคนในหมู่ชาวต่างชาติแล้เขาอ่านมันให้แก่พวกเขาฟังพวกเขาก็จะไม่เป็นผู้สภาต่อมานาฟีุลบิลมุรมน เช่นเดียวกันเราได้มันเข้าไปในหัวใจของผู้กระทำความผิดทั้งหลายพวกเขาก็ไม่ศรัทธามันจนกว่าพวกเขาจะได้เห็นการลงโทษอันเจ็บปวดแล้วมันการลงโทษจะมาหาพวกเขาอย่างกระทำ โดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัวพวกเขาก็จะกล่าวว่าให้พวกเราได้รับการประวิงเวลาบ้าในหาใหม่ทำไมพวกเขาถึงเร่งการลงโทษของเราอีกล่ะเจ้ามูฮัมหมัดไม่เห็นดอกหู ว, ว่า หากเราให้พวกเขาเรื่อนเริงต่อไปอีกเป็นปีๆแล้วสิ่งที่พวกเขาถูกสัญญาไว้ก็ได้เกิดขึ้นแก่พวกเข า, า, เานนนาาาอุมมากาูมสิ่งที่พวกเขาได้ถูกให้รื่นเริงนั้นจะไม่อํานวยประโยชน์อันใดให้แก่พวกเขาเลย ้ ا أ รเราไม่ได้ทำลายชาวตำบลใดเว้นแต่ได้มีผู้ตักเตือนแก่มันแล้ ว, วาาเพื่อเป็นข้อตักเตือนและเราไม่ได้เป็นผู้อทำและพวกไซตอนก็ไม่ได้นำมัน ทำเพียรุกรานลงมาและไม่เป็นการเหมาะสมแก่พวกมันและพวกมันก็ไม่สามารถด้วยถ้าจริงพวกมันเป็นผู้ถูกขีดกันอย่างแน่นอนจากการฟังดังนั้นเจ้าอย่าได้วิ่งวอรพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับอัลลอฮมิฉะนั้นเจ้าจะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ถูกทำโทษ ش ش จงตักเตือนวงสาขานาญาของเจ้าที่ใกล้ชิด แ, แ, และจงลดปีของเจ้าคือจงอ่อนโยนแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติตามเจ้าแต่ในอาซูค์จกลอินนีบริอมมินมะตอมลู หากพวกเขาฝ่าฝืนเจ้าก็จงกล่าวถึงว่าแท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติกันอยู่และจงมอบหมายต่อพระผู้ทรงเดชาลุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอผู้ทรงเห็นเจ้าขณะที่เจ้ายืนอยู่และการเพื่อนไหวของเจ้าในหมู่ผู้กรบ แท้จริงโปรงคือผู้ทรงได้ยิงผู้ทรงรอบรู้เสม อ, อฉันจะบอกแกพวกเจ้าไหมว่าพวกชัยตอนลงมาที่บุรีพวกมันลงมาที่ทุกคนที่เป็นผู้โกหก และผู้ที่ทำบาปมากยุูวาบพวกมันจะเนี่ยหูฟังและพวกมันส่วนมากเป็นผู้โกหกและพวกเป็นนักกวีนั้นเป็นพวกหลงผิดที่ปฏิบัติการพวกเขาออุว แก่่เห็นดอวหรือว่าแท้จริงพวกเขานั้นเร่ร่อนไปทุกคนทุกแห่งและแท้จริงพวกเขานั้นพูดในสิ่งที่พวกเขาไม่กระทำอัลลอฮ์ S <S นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและปฏิบัติความดีทั้งหลายและรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากและตอบโต้ป้องกันหลังจากที่พวกเขาคือพวกมุสลิมถูกคงเห็นและบรรดาผู้ทำจะได้รู้ว่าทางกลับอันใดที่พวกเขาจะกลับคืนสู่